เชื่อว่าหลายท่านคงเคยได้ยินตำนานความเฮี้ยนของแหล่งโบราณสถานกันมาบ้างไม่มากก็น้อยต่อไปนี้บีเองจะขอถ่ายทอดเรื่องราวจากคำบอกเล่าของชาวบ้านตำบลคูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะถึงความเป็นมาของโบราณสถานแห่งหนึ่งซึ่งมีตำนานและก็เรื่องราวน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว สำหรับโบราณสถานแห่งนี้อยู่ที่วัดโขลงสุวรรณคีรีตำบลคูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีกล่าวกันว่าเมื่อสมัยที่เจ้าอาวาสรูปแรกมาสร้างวัดโดยก่อนที่จะสร้างวัดหลวงพ่อได้มานั่งวิปัสสนาแล้วก็ระหว่างที่เดินจงกรมก็ปรากฏมือของเหล่าวิญญาณพากันยื่นเข้ามาแตะต้องชายจีวรของหลวงพ่อเพื่อขออนิสงส์ผลบุญโดยเรื่องราวเหล่านี้ชาวบ้านก็ได้เล่าต่อๆกันมา ยิ่งเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ยิ่งทราบความเป็นมาของดวงวิญญาณเหล่านี้ดีจวบกระทั่งปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่ๆก็ยังไม่กล้าจาับจ้วงหรือว่าคึกขนองไปลบหลู่ดูหมินนะคะด้วยเหตุนี้นี่เองค่ะเราก็เลยหาเรื่องราวของวัดโขลงสุวรรณคีรีแล้วก็ค้นหาข้อมูลประวัติความเป็นมาของโบราณสถานแห่งนี้ สถานที่ที่มีตำนานบอกว่าเดิมทีสถานที่นี้เป็นเมืองกรุงเก่าภายหลังต่อมาเรือสำเภาจีนเกิดล่มก็เลยทำให้มีการขุดค้นพบลูกปัดถ้วยชามลายครามโบราณฝังอยู่มากมายค่ะที่โบราณสถานแห่งนี้นะคะจะมีศาลเจ้าสเสด็จปู่เจ้าปู่โสมตั้งไว้สักการะกราบไหว่ชาวบ้านเชื่อว่าปู่โสมเฝ้าทรัพย์เฝ้าสมบัติที่ฝังซ่อนไว้ที่ปราสาทแห่งนี้ หากผู้ใดแต่ต้องก็จะมีอันเป็นปลายต่างๆน า, นาซึ่งปัจจุบันโบราณสถานแห่งนี้ได้ขึ้นชื่อว่าให้เป็นโบราณสถานใหม่เลข18หรือว่าวัดโขลงนะคะซึ่งเป็นโบราณสถานที่ใหญ่ที่สุดของเมืองคูบัวมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสันนิษฐานว่าเป็นผังของวิหารค่ะ ตัววิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีขั้นบันไดขึ้นสู่ลานประทับก่อด้วยศิลาแรงฉาบปูนผนังทางด้านเหนือแล้วก็ใต้ของตัววิหารมีมุกเล็กน้อยยื่นออกมาตรงกลางฐานชั้นที่สองก็ก่ออิดเป็นฐานบัวโคง้งส่วนบนของฐานโบราณเป็นลานประทับสิงขนาดใหญ่ เมืองโบราณคูบัวเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชุมชนสมัยโบราณมีการขุดลอกคูน้ำคันดินขึ้นล้อมรอบตัวเมืองและเชื่อนะคะว่าสถานที่แห่งนี้เป็นาศาสนสถานสมัยโบราณหลักฐานที่ขุดพบเชื่อว่าเป็นเมืองที่เจริญในสมัยทาราวดีประมาณพุทธศตวตรรษที่ 12-17 ค่ะ สำหรับวัสดุที่ใช้ก่อสร้างโบราณสถานส่วนใหญ่จะใช้อิฐที่มีรูปแบบเฉพาะตัวของสมัยทวารวดีก็คือมีขนาดที่ใหญ่มากดินที่ใช้เผ า, าเป็นอิฐเนี่ยนะคะก็จะมีการผสมแกลบข้าวที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากก้อนอิฐเป็นกรร ม, มวิธีการเผาก็ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควรแล้วก็จากหลักฐานที่ขุดพบ เชื่อนะคะว่าวิหารแห่งนี้เป็นศาสนาสถานที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาทั้งสองนิกายนั่นก็คือเถรวาดและก็มหายานค่ะโดยจะมีอาคารที่บ่งบอกให้เห็นถึงความแตกต่างของสองนิกายอย่างชัดเจน จึงน่าจะเชื่อได้นะคะว่าโบราณสถานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนสมัยโบราณในยุคกว่าพันพันปีผ่านมาซึ่งการละครั้งนั้นาศาสนาเป็นที่นับถืออย่างยิ่งและสันนิฐานว่าภายหลังอาจเกิดสึกสงครามหรือว่าภายพิบัติก็เลยทำให้ชุมชนนี้สิ้นสลายกลายเป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่ยังคงวนเวียนดูแลสถานที่แห่งนี้อยู่ก็เป็นได้ จากคำร่ำลือต่างๆกันมาเกี่ยวกับตำนานเฮียนเมืองคูบัวนี้ทําให้ชาวบ้านต่างเชื่อกันค่ะว่าในโลกของวิญญาณก็ยังคงมีมิติที่สมบูรณ์ก็คือยังคงใช้ชีวิตกันอยู่แบบบ้านเมืองที่สมบูรณ์เหมือนสมัยที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ก็เป็นได้หรืออาจจะต้องการสร้างกุศลผลบุญเพื่อที่จะไปอยู่ในภพภูมินั้นต่อไป และเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนจนถึงปัจจุบันสมัยที่หลวงพ่อซึ่งเป็นเจ้าอาวาดรูปแรกได้ทุดงมายังโบราณสถานแห่งนี้พร้อมกับได้แผ่เมตตาเดินโปรดดวงวิญญาณรอบรอบวิหารแห่งนี้จึงทําให้เห็นกลุ่มคนโบราณที่เป็นทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะพากันคว้าจีวรของหลวงพ่อเพื่อขออนิสงค์จนหลวงพ่อตั้งมั่นที่จะสร้างวัดขึ้นมาค่ะชาวบ้านในสมัยนั้นที่เกิดศรัทธาถือว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อ ก็ได้รับรู้เรื่องราวอัศจรรย์มากมายเล่าขานกันต่อมาจนกระทั่งปัจจุบันด้วยเหตุนี้นี่เองจะมีแต่คนต่างถิ่นเท่านั้นที่มักจะเจอดีเพราะว่าบางทีก็ไปพูดจาลบหลู่ดูหมิน่นหรือว่าอาจจะเผลอไปปัสวะผิดที่ผิดทางแม้กระทั่งบางคนเจตนาเก็บก้อนอิฐโบราณกลับไปบ้านก็ต้องนอนผวาทั้งคืนถึงขั้นไม่สบายจนต้องนําก้อนอิฐโบราณมาคืนพร้อมกับจุดธูปขอขมากันเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ค่ะ พวกหัวขโมยที่เป็นมิจฉาชีพชอบขโมยของเก่าไปขายเคยร้องวิ่งโวยบายจนกระทั่งพระนี่แตกตื่นตกใจกันกลางดึกก็มีไม่ต้องบอกก็รู้ว่างานนี้คงต้องถูกหลอกเข้าไปอย่างจังอีกทั้งเคยมีคนเห็นเป็นผู้หญิงแต่งชุดคล้ายกับชาวพื้นเมืองซึ่งบอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะว่าเป็นชุดสมัยใดนะคะสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากอาถรรพ์อนาเสพรึงกลัวเกี่ยวกับพูดผีวิญ ญ, ญาณแห่งวัดคูบัวก็คือสถานที่แห่งนี้ เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านเพราะว่าเวลาใครขับรถผ่านไปก็จะบีบตแตรกันทุกครั้งเพื่อเป็นการแสดงความเคารพเนื่องจากบริเวณโบราณสถานแห่งนี้จะมีศาลเจ้าตั้งอยู่ริมถนนนั่นเองค่ะและด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่แห่งนี้จึงไม่มีใครกล้าเข้ามาทําอะไรไม่ดีไม่งามในบริเวณแห่งนี้เนื่องจากมีประวัติเสียผู้เสียคนกันมาแล้วแม้ว่าเวลาจะผ่านกันมาหลายพันปีค่ะแต่ว่าปริศนาของวิหารและก็ชุมชนแห่งนี้ ยังคงเป็นปมปริศนาต่อไปรอวันที่จะมีกุญแจไขปริศนาแห่งความลี้ลับนี้ให้กระจ่างถ้าหากว่าใครมีโอกาสจะไปเยี่ยมชมโบราณสถานแห่งนี้ก็จะได้พบกับบรรยากาศร่มรื่นแล้วก็ความสงบนะคะเหมาะกับการพักผ่อนคลายจิตใจสมกับที่เป็นวิหารโบราณแต่ทว่าหากเข้าสู่ยามค่ําคืนเมื่อไหร่บรรยากาศในสถานที่แห่งนี้ก็จะกลับกลายเป็นความเงียบวังเวงชวนหวาดผวาเหมือนมีใครเฝ้ามองคุณอยู่ตลอดเวลา อีกสถานที่หนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนักนะคะสถานที่นี้อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองแถวตาบลหัวสะพานนะคะเมื่อไม่นานมานี้ถ้าเอ่ยถึงวัดเสวะคนให้คนเดินทางไปทําบุญหรือว่าอื่นๆเนี่ยโดยระบุว่าอยู่ที่ตําบลหัวสะพานอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีน้อยคนนักที่จะเข้าไปถูก ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าวัดสวคนหรือว่าวัดร้างซึ่งเป็นวัดที่มีอายุไม่น้อยกว่า200ปีขึ้นไปค่ะแต่ว่าในอดีตนับย้อนหลังไปในสมัยกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีถ้าเราไปถามพระหรือว่าคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณวัดหรือว่าใกล้เคียงว่ารู้จักเมืองอเพชรบุรีไหมทุกคนจะต้องสั่นหัวแล้วก็ไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยเหยียบย่างไปถึงเมืองที่เอ่ยชื่อนี้ออกมาเลย เหตุผลง่า ย, ายๆสั้นๆค่ะก็คือว่าเพราะว่าในช่วงระยะเวลาที่วัดเสะวะคนกําลังรุ่งเรืองจังหวัดหรือว่าเมืองเพชรบุรียังไม่ปรากฏในแผนที่ตัวเมืองเพชรบุรียังไม่ได้สร้างนั่นเองนะคะก็เลยนับว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์มากที่วัดซึ่งเคยเลือนหายไปจากความทรงจําแล้วก็การรู้เห็นของชาวบ้านกลับโผล่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โผล่ขึ้นมาจากใต้ธรณีค่ะประกาศตัวเองว่าเป็นวัดลึกลับที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นดินชูยอดโบสถ์หลังคาอารามแล้วก็กำแพงสร้างความตื่นตนกตกตะลึงให้แก่ผู้ที่รู้ข่าวซึ่งต้องการที่จะพิสูจน์ความจริงแล้วก็พิสูจน์พวกเครื่องถ้วยชามลายครามสมัยขอมแล้วก็พวกเครื่องรางของขลังที่ขุดได้จากวัดที่ล่มไปเนิ่นนานแห่งนี้นะคะ สำหรับคำว่าสวาคนแปลได้ความว่าเป็นไม้เถาั์พันหนึ่งที่มีช่อเป็นพวงสีขาวแล้วก็มีกลิ่นหอมหวนต่อผู้ที่ได้สูดดมๆขณะที่วัดนี้ยังคงรุ่งเรืองวัดสวคนเป็นเกาะที่มีน้ำล้อมรอบทั้งนี้เพื่อป้องกันภัยจากค่าศึกผู้รุกรานซึ่งมักจะฉก ช, ชิงเอาของมีค่าตามวัดต่างๆเสมอค่ะแม้แต่วัดนี้ก็ยังไม่ายวเว้น จนกระทั่งในที่สุดก็กลายสภาพเป็นวัดร้างเพราะว่าสาเหตุหลายประการที่ยังระบุไม่แน่ชัด ไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าจากการที่ทัพพมา่ายกผ่านไปตีเมืองต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าโรคหา่าแล้วก็โรคภัยอื่นๆในยุคนั้นนะคะกลายเป็นเมืองลับแลที่โจลดขานกันมาหลายชั่วอายุคนรุ่นสุดท้ายที่ยังคงมีชีวิตอยู่ก็อายุประมาณ92ปีซึ่งเป็นผู้เดียวที่รื้อความหลังของสะวะคนเมื่อครั้งที่ยังเป็นป่าให้ลูกหลานได้รับรู้กันอย่างน่าสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นค่ะ สำหรับคำว่าสนุกนั้นนะคะก็เพราะว่าเรื่องราวแต่ว่าตื่นเต้นก็เพราะว่าความลี้ลับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่อนเร้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลังชิ้นเยี่ยมที่หาไม่ได้หรือไม่มีในสมัยนี้รวมทั้งเรื่องพูดผีที่เล่าอย่างขนพองสยองกล้าวกล่าวกันว่าบริเวณพื้นที่ของวัดสวัคนแห่งนี้ค่ะ หากใครที่เอาวัวหรือว่าเอาควายไปเลี้ยงในวัดร้างแห่งนี้นะคะสัตว์เหล่านี้ก็จะหายไปอย่างไรร่องรอยเหมือนเป็นแผ่นดินลับแลยืนยันกันได้นะคะว่าไม่ได้เกิดจากจนย่องมาลักเอาไปอย่างแน่นอนวัดสะวะคนขึ้นทะเบียนเป็นวัดร้างเลขที่50เนื้อที่19ไร่สงานดวาตามโฉนดเลขที่13349 ผู้ใหญ่เสริมเอี่ยมจินดาซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าตำบลหัวสะพานอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีมาเกือบสิบปีบอกว่าเคยมีลูกบ้านไปขุดหาพระเครื่องหรือว่าของมีค่าที่วัดร้างแต่ว่าไม่เคยมีใครพบอะไรเลยค่ะนอกจากกระดูกคนสมัยโบราณแตกเป็นชิ้นๆยังฝังดินอยู่เท่านั้นต่อมาก็ได้มีพระธุดงรูปหนึ่งคือท่านพระครูสังครักษ์มีลาบวทยา ซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิปัสนาญาณภาวนาเคลื่อนที่เดินทุดงมาถึงวัดร้างแห่งนี้และในคืนแรกที่ท่านปรากฏนะคะท่านพระครูก็นิมิตว่ามีเรือจมอยู่ใต้วัดร้างใกล้กันกับต้นกระเช้าในวันต่อมาค่ะก็เลยทําพิธีขุดเส้นไหวบวงสรวงแล้วก็ขุดด้วยมือของตัวเองเป็นรูปแรกนะคะเมื่อขุดลงไปประมาณ4เมตร ทุกคนที่มาร่วมในพิธีก็ต้องตื่นเต้นเมื่อพบพระพุทธรูปองค์หนึ่งยกขึ้นมาจากดินก็ขัดถูออกก็ปรากฏว่าเป็นแก้วผนึกสีเขียวพิมพ์มันวิชัยพุทธลักษณะสวยงามมากท่านพระครูก็เลยเชื่อนะคะว่าพระพุทธรูปนี้จะต้องไม่ได้มีเพียงแค่องค์เดียวก็เลยระดมชาวบ้านช่วยกันขุดต่อไปความตื่นเต้นก็เกิดขึ้นอีกเมื่อกระทบกับพระพุทธรูปองค์ที่สองห่างจากองค์แรกประมาณสองศอกค่ะ องค์ที่สองนี้พุทธลักษณะแล้วก็พิมพ์เช่นเดียวกับองค์แรกเว้นแต่พระวรากายที่เป็นแก้วนั้นเป็นสีเหลืองชาวบ้านช่วยกันระดมขุดโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยซึ่งห่างจากองค์ที่สองอีกสองสองก็พบพระพุทธ ร, รูปพิมพ์เดียวกันอีกเป็นองค์ที่สาม มีพระวรากายเป็นสีแดงอ่อนนะคะเมื่อขุดกันต่อไปเรื่อยๆก็พบสิ่งของมีค่าอื่นๆไม่ว่าจะเป็นถ้วยชามลายครามต่างๆรวมทั้งกระดูกคนที่แตกเป็นชิ้นๆชิ้นส่วนของกระดูกก็ผุพังไปตามกาลเวลาค่ะถูกบรรจุอยู่ในหยโบราณไม่สามารถนำมาปะติดประต่อเป็นรูปร่างได้แล้วสิ่งที่ขุดพบต่อมาคือพระพุทธรูปชินเงินนั่งอยู่บนเรือสำเภาอยู่ในสมัยเชียงแสน ขุ ด, ดำเนินไปอีกเครื่องวันก็พบกับพระพุทธรูปอีกสององค์พระพุทธลักษณะขนาดเดียวกันกับปางมารวิชัยองค์แรกแล้วก็ยังมีอีกองค์หนึ่งที่สวยงามจัดว่าหาได้ยากยิ่งนั่นก็คือนาคปปกนะคะซึ่งโอบล้อมองค์พระโค้งเป็นวงรูปเกือกมา้าอยู่ในสมัยทาราวดีค่ะ พระพุทธรูปทั้งหกองค์มีขนาดหน้าตักไล่เลี่ยกกันองค์ละ12นิ้วส่วนสูงศอกเศษนะคะส่วนพระเครื่องที่พบก็พอจะแยกออกได้ดังนี้ก็คือพระร่วงเป็นดินผงเผาอบในองค์กระเทียม นอกจากนี้นะคะก็ยังขุดพบพระกริ่งฤาษีค่ะแล้วก็พระเถระอุปคุตพระงั่งแล้วก็จำพวกหอยจำพวกปลาในสมัยขอมซึ่งของแต่ละชิ้นก็มีจำนวน600ถึง700องค์สิ่งที่สร้างความแตกตื่นสุดยอดก็คือการขุดพบกำแพงวัดซึ่งทำด้วยอิฐแดงในสมัยโบราณค่ะถูกดินถูกทรายเกาะจนยึดกันแน่น ใกล้ๆ ก, กันนี้เองก็ขุดพบกับเจดีฐานวัดตามเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ5เมตรซึ่งทำด้วยอิฐแดงเช่นเดียวกันนะคะเมื่อผู้ใหญ่ในตัวจังหวัดเพชรบุรีแลวก็ผู้อื่นมาเห็นพระพุทธรูปแก้วผนึกทั้ง3องค์ต่างก็ประเมินราคาไว้ว่าองค์หนึ่งต้องไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทส่วนเซียนพระที่รู้ข่าวค่ะก็เดินทางไปชมกันหลายคนแต่ละคนเนี่ยไม่กล้าตีราคาบอกประมาณราคาหรือว่าบอกประมาณค่าไม่ได้ อีกสององค์ที่ขุดพบซึ่งมีความสําคัญแก่วัดนี้ก็คือเจ้าพ่อแล้วก็เจ้าแม่เสา ว, วคนเป็นพระพุทธรูปที่สร้างในสมัยขอมเรื่องอํานาจบริเวณที่ขุดพบพระพุทธรูปซึ่งอยู่ใกล้กับต้นกระเช้าขณะนี้กลายเป็นบ่อน้ําทิพตสามารถที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วยนะคะเนื่องจากว่ากระเช้าเป็นต้นไม้ที่ใช้เป็นยาดได้เป็นอย่างดีท่านพระครูจึงตั้งชื่อให้อย่างไพเราะแล้วก็มีความหมายที่ดีว่ากระเช้าสวรรค์ค่ะ สำหรับประวัติของท่านพระครูสังคารักษ์มีลาบวัรทยาหรือว่ามหาลาโพเป็นพระอาจารย์วิปัสนาญาณภาวนาแต่ว่าชอบเดินทุดงไปตามที่ต่างๆ การเดินทางไปถึงวัดสวะคนท่านมีความตั้งใจมานานหลายปีแล้วท่านพระครูเดิมเองท่านก็จำภาษาอยู่ที่ถ้าไก่หนังอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยท่านมีเชื้อสายทางลาวค่ะซึ่งมีตำราการรักษาโรคแล้วก็ปัดเป่าโรคต่างๆเป็นที่เลื่องลือมานานแล้วโดยการรักษาโรคต่างๆของท่านพระครูท่านจะใช้ไม้เท้าจี้จุดไปตามร่างกายส่วนที่เจ็บไข้ซึ่งส่วนใหญ่มักจะหาย เมื่อได้รับการรักษาอยู่ระยะหนึ่งค่ะนอกจากนี้นะคะยังให้การรักษาแก่ผู้ที่เป็นอมภพฤกอัมภพาดหรือว่าโรคร้ายแรงด้วยวิธีการฝังดินลุยโคลนแล้วก็ลุยน้ําเป็นที่อัศจรรย์แก่ผู้พบเห็นและผู้ที่ไปรักษาจนหายมาแล้วนับร้อยๆรายตํำรับการรักษาท่านพระครูได้จากต้นตระกูลของท่านซึ่งมีคุณปู่เป็นหมอโบราณค่ะนวดถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่6มาแล้ว การรักษาอมาพาดหรือว่าโรคต่างๆถ้าเป็นไม่มากก็สามารถหายได้อย่างเด็ดขาดแต่ถ้าหากว่าเป็นมาสักสามสปีโอกาสที่จะหายก็ 50-50 ิบ50หนะคะซึ่งจะต้องใช้ไม่เท้าจี G ้จุดไม่ได้แล้วแต่ว่าต้องใช้การฝังดินหรือว่าลุยโคลนเท่านั้นการรักษาด้วยวิธีฝังดินจะต้องขุดหลุมขนาดพอตัวลงไปได้นะคะก็มีความลึกแค่เอวแล้วก็เอาดินเผาให้สุกรอจนดินอุ่นก็เลยให้คนที่เป็นคนไข้เนี่ยลงไปอยู่ในหลุมอยู่ประมาณสัก1ชั่วโมง เสร็จแล้วก็จะเป็นการรักษาครั้งที่หนึ่งแล้วก็ดินบริเวณที่ขุดนั้นก็จะต้องเป็นดินเหนียวกลางท้องนาก็จะได้ผลร0อยเปอร์เซค่ะ สำหรับการรักษาโดยการลุยโครนคนไข้จะต้องลงไปเดินในโครนผสมน้ำซึ่งอยู่ในบ่อดินเหนียวเดินให้ดินดูดอยู่ประมาณ20นาทีจึงเสร็จสิ้นการรักษาครั้งหนึ่งซึ่งการรักษาด้วยการฝังดินหรือว่าลุยโครนเมื่อถึงเวลากลางคืนคนไข้จะต้องนอนย่างไฟตรงจุดที่ป่วยเช่นถ้าเป็นอัมาพาตที่ขาก็ต้องยื่นขาออกไปย่างนั่นเองค่ะ สำหรับผู้คนที่รู้ข่าวความอัศจรรย์ในการรักษาโรคต่างๆของท่านพระครูก็พากันหลั่งไหลไปที่วัดสะวะคนกันไม่ขาดระยะต้องนอนพักในเพิงที่ปลูกเป็นหลังๆเนื่องจากขณะนั้นยังไม่มีกุฏิหรือว่าศาลาการประเรียนทั้งสิน้นการช่วยกันบูรณะวัดนั้นได้บุญแน่โดยเฉพาะวัดเก่าแก่ในประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจแห่งนี้ ยกตัวอย่างเช่นถ้าให้ประชาชนเช่าบูชาพระพุทธรูปทั้งหกองค์และถ้วยชามเครื่องลายครามต่างๆจนสามารถเนรมิตวัดร้างให้กลายเป็นวัดที่งดงามได้โดยไม่ยากนักนะคะคุณผู้ฟังคะแต่นั่นเป็นเพียงความคิดตื้นๆของคนบางคนเท่านั้นเพราะว่าวัดสะวะคนขาดพระแก้วเมื่อไร่ถึงแม้จะมีโบสถ์วิหารสะพังขึ้นมาก็คงไม่แตกต่างจากวัดร้างในอดีตเลยล่ะคะ่ะ หมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วก็ตำนานต่างๆที่บีนำมาเล่าให้ฟังติดตามเรื่องราวต่างๆได้ในวันต่อไปนะคะเราจะมีการอัปเดตคลิปเวลา13นาฬิกาแล้วก็เวลา20นาฬกา30นาทีของทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยแล้วก็อย่าลืม เข้าไปกดถูกใจแฟนเพจพระเจอผีด้วยที่ w w w f a c e b o o k c o m h พระเจอผีขอบพระคุณสำหรับการคอมเมนต์และก็การติดตามรับฟงังวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ